น้องๆทุกคนจะรู้ไม่รู้ด้วยค่ะตั้งแต่เบื้องต้นไปจริงๆเพิ่งพูดเรื่องภาวนาไปเมื่อสองสามวันก่อนคือทำทำนักเสือเล่นใหม่ก็พูดเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาะ ภาวนาก็คือการชำระจิตคือการปฏิบัติจิตใจของเราโดยใหญ่เราจะดูแลเรื่องกายกับวะจา่าเช่นสิ่งสิ่านี้เป็นการดูแลรักษากายภาวะจา่าคือการกระทำทางกายภาวจา่าแต่เรื่องของการกระทำของใจนี้ต้องอาศัยการบำเพ็ญภาวนาเป็นเครื่อง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 ในเบื้องต้นมันก็ยาจะดิ้น ม, มันก็จะต่อสู้ถ้าเชือกมันไม่แข็งแรงพอมันก็ตกเชือกขาได้มันก็ไปเพ่นพ่านได้ต่อจิตของเราโดยปกติก็เหมือนกับลิงถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญภาวนาจิตของเรามันก็จะคิดไปเรื่อยยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าจนกระทั่งหลับไป จะคิดไปเรื่อยๆมีเรื่องอะไรมาให้คิดก็คิดไปคิดไปคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมามีทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างเวลาสุขก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาทุกข์นี่มันแสนทรมานใจเราก็ไม่รู้จักวิธีหยุดมันด้วยแตถ้าเราได้มาทำำําบำเพ็ญกิจกวนา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 ที่เรียกว่าตัณหาตัณหาทั้งสามคือการรมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นตัวที่ผลักดันสัตว์โลกให้ไปเกิดแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติจนเห็นเหตุของทุกข์แล้วว่าคือตัณหาเห็นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายคือตัณหาทั้งสามอยา ก็ทรงบำเพ็ญจิตภาวนานั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพในวันเพ็ญเดืนอนหกบำเพ็ญสมถะภาวนาในเรื่องต้นทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาดูสภาวธรรมต่างๆที่จิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องจนเห็นสภาพของความเ็นจริงว่าเป็นใจรักเคยเป็นอนิจจังผุกขังอนัตตา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 ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูแลการอาตอบโต้อของจิตใจถ้าจิตใจเราไปมีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าไปยินดีมันก็ผิดถ้าไปยินร้ายมันก็ผิดเพราะว่าเมื่อเกิดความยินดีมันก็เกิดความผูกพันอยากจะให้สิ่งที่ยินดีนั้นอยู่ไป น, นานๆแต่สภาพของสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่อยู่นานมันอยู่แค่ประเดี๋ยวประดา้าแล้วเดี๋ยวมันก็ไป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 เห็นอะไรที่ไม่ชอบก็เกิดปฏิกิริยาอยากจะวิ่งหนีทันทีนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นจะน้องพยายามทำจิตใจให้รวมลงเป็นสมาธิให้ได้ที่เรียกว่าเป็นเอกตาลมจิตรวมลงเป็นหนึห่งลดสักแต่ว่ารู้เท่า น, นั้นการที่จะทำจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งได้นี้ก็ต้องอาศัยสติเป็นเป็นเครื่องมือ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 เช่นถ้าเราจะใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเราก็ต้องมีสติแะ เ, เลือกรู้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไม่ปล่อยให้บริกรรมพุโทโธไปแล้วก็จิตเล็ดล็ด ล, ลอดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีการกระทําทั้งสองอย่างจิตก็จะไม่รวมลงเป็นหนึ่งก็จะไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติคอยรู้อยู่เสมอว่าขณะ น, นี้เรากําลังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่หรือเปล่าถ้า ถ้าไม่มีสติจะไม่รู้จะเผลอจะพูดโทรไปแล้วก็คิดไปด้วยแต่มารู้สึกตัวไอ้ทีก็บอกเอ้ยเราไม่ได้อยู่กับพูดโธรแล้วนี่เราคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเรามีสติอยู่เราจะรู้อยู่ทุกขณะเลยว่าเรากําลังบริกรรมพูดโธรอยู่หรือไม่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญในเบื้องต้นที่ต้องพยายามฝึกต้องสร้างให้ขึ้นมาได้ให้ได้ก็คือการมีสติ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 จิตก็จะไม่ค่อย เ, อเพ่นพ่านไปที่อื่นเพราะมีสติ ค, คอยคุมอยู่กำหนดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะอยู่หรือถ้าเราอยากจะสวดมนต์ในเร้่มต้นก่อนก็สวดไปมีสติอยู่กับการสวดไปเพราะบางครั้งบางคราจิตบางทีมันยังมีความหุ่งซ้านอยู่จะนั่งเฉยๆกำหนดพุโทโธคาเดียวมันก็รู้สึกว่ายาก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 อยากไปเปิดโอกาสให้จิตไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายทํนไปโดยการไปให้ขีขึ้นขีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่ช้าก็เร็วมันจะทําให้จิตของเรารวมลงสู่ควาสมสงบได้จิตนี้ก่อนที่จะมันสงบนี่มันมักจะต้องผ่านทุกขเวทนาไปถ้าภาวนานมาแล้วมาเจอทุกขเวทนาแล้วก็ยอมแพ้มันก็จะไปไม่ถึงไหน ภาวนาไปกี่ครั้งมันก็จะมาติ ด, ตดอยู่ตรงที่ทุกขเวทนานั้นมันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าเป็นนักเรียนก็อสอบถึงเวลาสอบทีไรก็สอสบตกทุกทีไม่สามารถผ่านไปได้แตถ้าเราเป็นคนที่มีความมุทะลุมีความกลาหารมีความอดทนไม่ไปกลัวความเจ็บปวดถือเสียว่านั่งกายมันนั่งอยู่สวยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันก็ต้องเก็บต้องปวดบ้างถ้าวันหนึ่งร่างกายนี้เขาก็จเอามันไปเผาไฟให้อยู่ดีคิดอย่างนี้ถึงแต่ น, นั่งเฉยๆแค่นี้ถ้ามันเจ็บก็เจ็บไปมันยังไม่ตายเราจะไปกังวลอะไรกับมันคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปกลัวความเจ็บนั่นแล้วเราก็พยายามภาวนาต่อไปท่บริกรรมก็บริกรรมให้มันทีเข้าถือเข้าไปเรื่อยๆดีไม่ดีถ้าเราไม่ไป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 เพราะเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรามีความจําเป็นมีทุเลาจะต้องไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะไปดึงมันออกมาเพราะถ้าเราดึงมันออกมาแนละ้วต่อไปมันอาจจะเท่าไปยากรอให้มันค้างอยู่เต็มที่ของมันขณะนั้นไม่ต้องทําวิปัสสนาภาวน า, าวิปัสสนาภาวนานี้เป็นอีกภาคหนึ่งต้องรอให้จิตที่ถอนออกมาจากความสงบก่อนถึงจะสามารถนํามา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 กรเชิญกับมันอีกในระดับหนึ่งดังนั้นตอนขณะที่จิตรวมลงตั้งอยู่ในความสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อมันถอนออกมาแล้วจึงจะเป็นเป็นหน้าที่ของการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาต่อไปการเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนานี้ก็สามารถทําได้ในทุกอิรลียบทเราเดินเราเดินยืนนั่งนอนก็สามารถที่จะทําได้ เราต้องใช้ไยรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเป็นทางเดินเวลาเราสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผสะรัมอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏในใจของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาคิจหนาให้เห็นความเกิดดับเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาเห็นว่าถ้าเราไปยึดไปติด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 ของสิ่งอันนี้ว่าเป็นกายรักทั้งสิ้นเป็นอ น, นิจจังทุกของอังนิสตาแล้วเราก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นว่าก็มีสภาพแบบเดียวกันเป็นร่างกายที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อร่างกายตายแล้วมันก็แตกสลายแยกตัวกันไป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 ดังนั้นเราต้องคิดไปนาว่าคนคือร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำลมไฟเหมือนกับลมที่พัดอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมัน ม, มีมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็มีไปเราอย่าไปถูกมัดอย่าเอาใจของเราไปถูกมัดกับมันมันยังอยู่ก็รู้ว่ามันอยู่เวลาที่มันจะไปก็รู้ว่ามันไปยอมรับความเป็นจริง แล้วเราจะไม่ทุดขอกับมันมีคือการพิจารณาสำหรับให้เห็นถึงความเป็นธาตุีดินน้ำลมไฟของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทมักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนถิ้นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟในลาดับต่อมาเราก็ต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย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 แต่เราไม่เคยพิจารณาถึงสภาพที่มีซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นอ ว, วัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ท่านสอนให้เราพิจารณาท่าองกายนครให้เที่ยวดูดูร่างกายนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันมีอวัยวะมีอะไรต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่มีซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผิวหนัง ให้พิจารณาเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่เปิ่งที่น่ารักน่ายินดีแล้วก็ให้พิจารณาการดูขณะที่ร่างกายนี้หมดลมไปแล้วถ้าทิ้งไว้มันก็ต้องขึ้นอืดมันก็ต้องมีอาการที่ไม่สวยงามให้เห็นนี่คือสภาพของร่างกายของคนเราทุกๆคนถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เวลาเวลาจะเกิดความอยากขึ้นมาไอภาพที่เราได้พิจารณาอยู่นี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มาคอยคานกันมามาตอบโต้กันถ้าเราไม่มีสิ่งนันนี้อยู่พอเห็นภาพสวยๆงานปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความลหลงไหลเกิดความเคลิดเคลิน อ, อยากจะได้อยากจะอยู่กับบุคคล น, นั้นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้พิจารณาดูความเป็นอสุภะของร่างกาย ดูสภาพที่เป็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกแม้แต่ภายนอกก็ถ้าไม่ได้รับการดูแลเช่นอาบน้ำอับท่ า, าหวีผ้าหวีผมมันก็ไม่ค่อยน่าดูแล้วดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีสภาพที่ไม่น่าไม่น่าดูแล้วถ้าเวลาที่ตายไปแล้วยิ่งไม่น่าดูอย่าง นี่คือลักษณะของการพิจนรณาให้เห็นอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ถอดถอนการมัญหาคือความยินดีในในกามมรสุขนั่นเองที่เกิดจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับร่างกายของ <c oughs> ของคนที่เราคิดว่าสวยว่างามนั้น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 ความยินดีในร่างกายนี้ให้ได้คือก า, ารมรรคะถ้ายัางไม่ทันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปบ่อยๆเดินยืนนั่งนอนในอิริยาบถสีก็พิจารณาไปจนกว่ามันจะติ ด, ต, ดติดติตาติดใจเราไปหลักตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างที่มีเคยมีคนเคยเล่าในเรื่องพัดใจเป็นดกว่า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 ที่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของที่จิตใจมาหลงมาหลงมาลักมาชอบมาติดอยู่มาทุกข์อยู่กับร่างกายนี้เพราะหนึ่งไม่เห็นสภาพของความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน mm. เราเกิดมาทุกคนนะเกิดมาต้องตายเป็นธรรมดา mm. ถ้าเขาาา้าใจยอมรับความจริงอันนี้ได้แล้ว mm. ก็จะรู้สึกเฉยเฉยต่อความตายความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีไปพ้น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 ดังนั้นถ้าเราจะบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เราต้องมีความพยันอย่าไปปล่อยเวลาให้มันว่า ง, างๆงโดยไม่ภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาปับ๊บมีความฟุ้งซ่านมันจะเริ่มมาละมันจะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกเศร้าซ้ อ, ๆๆอยหงอยเหงาดัางนั้นเวลาถ้าเราจะบําเพ็ญภาวนานี้พยายามฝึกทําสึกบำเพ็ญทั้งวันตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นเลยในเบื้องต้นก็พยายามควบคุมจิต ด้วยสติให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเสร็จจากภารกิจจําเป็นแช่นดับนะ้าหน่อำถ้ารับประทานอาหารแล้วก็นั่งนั่งสมาธิต่อถ้านั่งแล้วมันรู้สึก ง, ง่วงหนาเขานอนก็เดินจมกลมแทนเดินจนก็เดินจนกว่ามันจะหายง่งวงนั่นก็กลับมานั่งใหม่ทําอย่างนี้สลับไปสลับมาอยู่เรื่อยๆมัน เ, เพ็นไปเรื่อยๆเลแล้วสักไม่ช้าก็เร็วจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบ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 ถ้าเราปฏิบัติแบบทีละเล็กทียน้อยมันปฏิบัติมาเป็นปีๆก็ไม่ไปถึงไหนสักทีมันก็ทำให้เกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความท้อแท้เบอหน่ายขึ้นมาแล้วมันจะไม่สา ม, มารถพาให้เราไปถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสรเิฐืโลกที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์า萨ล่วทั้งหลายท่านได้ได้พบได้เจอได้สัมผัสได้นามาเป็นสมบัติส่วนตัวของท่าน ดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อในคําสอนของพระทเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประสบพระเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องกล้าที่จะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเรา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 เพอาะาหมูแต่กระติดพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คอยคอยผัดมันประการพรุ่งอยู่เรื่อยๆพอดีจะมาปฏิบัติบางที้ก็เข้าวัยชราแล้วพอวัยมันชราแล้วจะปฏิบัติทีมันก็ลําบากร่างกายมันไม่เอึอ่อมันไม่อำนวยเหมือนกับร่างกายของคนหนุ่มคนสาวคนที่ยังมีกําลังว่างชา้อยู่จริงอยากให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลาย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 มีความเจริญทั้งใ no ulations, นทางธรรมและในทางโลกโดยทั่วหน้ากันเทอางานเมื่อกี้ครูพอจะเข้าใจนหมคือส่วนใหญ่มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือแนวทางมันก็มีอยู่ อยู่ที่ว่าเราจะมีความขยั น, น, นยาามากน้อยแค่ไหนนะแต่หลายครั้ามักจะแพ้ความขี้เกียจ น, นอนดีกว่าเราติดความสุขเล็กๆน้อยๆจากการหลับการนอนการกินพอจะมาภาวานานี่มันต้องต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพชีวิตของเราเราจะอยู่กินแบบปกติมันก็จะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญทางด้านภาวานานได้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 การอยู่การกินแต่มันทําให้เราไม่ต้องไปพวร์โคนกับเรื่องเหล่านี้ว่าใหม่ๆมันอาจจะไม่เคยชินมันก็รู้สึกลําบากหน่อยแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องเลวร้ายอะไรตรงไหนหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัดนั่นเองเหมืนกับเราเคยใช้มือขวาอยู่ประจํา้าเราต้องมาใช้มือซ้ายใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันยาก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 มันก็เลยรู้สึกว่ามันยากก็เลยไม่อยากจะทำชีวิตของเราก็เลยไม่ค่อยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราพยาพยามเนียพยายามฝึกเอาอย่างน้อยก็ทำเป็นพักๆไปกอยังดีมีเวลาว่าง ว, วันหยุดสาสี่วันก็ไปอยู่วัดกันไปหาวัดที่เงียบๆดีกว่าวัดคูบาจาังก็ดีแต่ถ้าคน วัดครูบาอาจารส่วนใหญ่เด็นคนเข้าเยอะและไม่เหมาะกับพวกภาวนาจริงๆเมื่อที่ภาวนาจริงๆต้องการความสงบจริงๆก็ไปหาวัดที่เป็นวัดของลูกศิษย์ของท่านก็ดีสมัยก่อนที่ไปอยู่วัดป่าบรรจาสมัยแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่สมัยนั้นส่วนใหญ่เขาจะไปวัดที่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหลวงตาท่านหรือวัดหลวงตาท่านก็จะเป็นวัดที่สงบไม่ค่อยมีญาติโยมไปเท่าไหร่ วันเสาร์วันอาทิตย์นี่อย่างมากก็มีรถแค่สองสามคันใส่จับอุดรเท่านั้นเองใส่ไส่บาตรใส่ถอาหารทางขันการอะไรมันก็วดเร็วกลับมาจากบินตาบาดปับจากอาหารเสียงไม่กี่นาทีก็ได้ฉันกันละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนไปเยอะกว่าจะได้ฉันกันเีนึงมันเหนื่อยฉันเสร็จแล้วต้องมาเก็บมากราบมาอะไรกั น, นีกใช้เวลามากเวลาก็จะไม่กอมีสำหรับที่จะไปใช้กับการภาวนา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 อย่าน้อยต้องรู้จักวิธีการเจริญสติเด่นเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่การเดินนั่งสมาธิก็ใมีสติอยู่การนั่งอย่าปล่อยใจให้มันคิดเพ่นพ่านไปตามเรื่องตาม ร, ราวของมันแล้วต้องคุมมันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นนักโทษอย่าปล่อยให้มันไปทำอะไรตามอิสระถ้าปล่อยให้มันคิดไปตามอิสระเดี๋ยวมันต้องคิดถึงเพื่อนถูงคิดถึงความสุขเดิมเดินที่เคยมีอยู่ แล้วก็จะทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเวซ้อยเช่าเช่าส้อยหงอยเหว่ยเกิดขึ้นมาและดีไม่ดีก็จะทําให้ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรต่างก็ต้องกลับไปแต่ถ้าเราพยายามทําแต่ภาวนาอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตมันไปคิดได้เดินก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆกลับมานั่งก็พุโทโธต่อ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 อยากไปที่ไหนนัน้นถ้าเราได้เข้าถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะไปภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่อยากจะอยู่ใกล้ใครพราอยู่ใกล้ใครแล้วมันลำคาญมันมาทำให้จิตของเราต้องกระเพื่อมจิตของเราต้องต้องคิดต้องหงต้องแสงต้องมีอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเราอยู่เพราะเราคนเดียวอยู่าป่าตามเขาอยู่กับเสียงลมอยู่กับต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาเดินโยมขมนั่งสมาธิ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 เช่นหนังสือหรือครูบาอาจารย์เทศจของครูคบาอาจารย์คอยฟังเรื่อยมันก็สามารถหลงได้เพราะสิ่งที่ปรากฏในภาวนานี้มันมีทั้งของที่เป็นมรรคเป็นผลและเป็นของที่ไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลถ้าเราไมา่รู้จักแยกแยะเือเราก็ไปหลงติดอยู่กับของที่เป็นโลกียะเป็นของที่ไม่ใช่จะพาให้เราหลุดคน้นแต่จะพาให้เรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายากดอยู่ได้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 กำลังจิตกำลังใจที่จะดําเนินต่อไปได้ดังนั้นก็ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามเกาะติดครูบาอาจารย์ไว้ตรงไหนที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวท่านก็พยายามเข้าไปหาท่านหนีเรื่อยๆในทางเทศทางธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นําไปปฏิบัติคือต้องทํำทั้งสองอย่างต้องฟังด้วยแล้วก็ต้องไปปฏิบัติด้วยถ้าฟังแล้วไม่นําไปปฏิบัติเยอะฟังแป๊บแล้วเดี๋ยวมันก็เลืม ถ้านาไปปฏิบัติแล้วมันจะอยู่ในใจขงงจงองเราที่แทรตนช้าๆนี่แค่จะลงฉันที่ไหนก็นจะลงไปที่ข้างน่างเก็ออกไปบินระบาดแอ้วแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วก็ฉันที่ทสาราข้างล่างการเลื่อนยามการเลื่อนกระพระที่อยู่ข้างล่า ง, งนี่หมด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 กวจะเริ่มฉันก็ประมาณตัสองโมงขึ้นสองโมงขึ้นเพราะว่าต้องเทศก่อนเทศเทศก่อนชริงเทศก่อนฉันอย่างวันนี้ก็เทศประมาณสองโมงเชา้าสองโมงเชา้งงชาเพื่อเป็นทบบาลกลับมาถึงวัดก็ประมาณโงมง่ญาติโยมก็มาถาวายอาหารใส่บาทที่สาราก่อจะเสร็จก็ประมาณสองโมงสอ ง, งแล้วขึ้นกคางมะก็ขึ้นชั่นมง เสร็จแล้วเพราะที่นี่เขาจะจะเทศให้เขาฟังเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปหือเขาก็รับประทานอาหารพร้อมพระไปเลยคืเราอ่าแล้วก็จะจัดไว้ในสาราอาหารที่เหลือจากพระก็เอาไปกองไว้ที่สาราในสาราแล้วก็พระแล้วก็เทศให้เขาฟังพอเทศเสร็จแล้วพระเริ่มแขญาติโยมก็รับประทานอาหารกันแล้วก็สั่งโยมญาตกันกลับไป ถ้าเป็นวันสาวาที่วันพักก็จะช่วงเวลานี้แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเร็วเพราะว่าไม่มีคนมาเรามาจาก ม, ามินทบาเจ็ดโมงจากอาหารเสร็จก็กประมาณเจ็ดโมงครึ่งก็ฉันกันละถ้าเป็นวันธรรมดาที่นี่มีวคกคาราวากมาปฏิบัติมีเขามีที่พอยู่ให้มาอยู่ปฏิบัติได้เพีงแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีไม่มีครูสอนนะ เขาจะให้ใคล้ยๆว่ามาแล้วก็พักกันตามาอัจยาสัยใครภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ทํากันไปแต่เขาจะให้ลงโบสถเช้าเย็นไปไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิในในโบสถ์สักครึ่งชั่วโมงพร้อมๆกันตอนเช้าประมาณตีห้าตอนเย็นก็ประมาณหกโมงหกโมงเย็น แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปที่พักของใครของมันที่พักมันก็จะเป็นเป็นเรือนเป็นเรือนใหญ่เป็นห้องห้องเหมือนกับเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยเป็นมีห้องพักมีห้อง น, น้ำมีตู้ของมันแต่เขาจะนะอนุ ญ, ญาตให้อยู่ครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็ดวันยังําต้องตามมันแล้วก็ไม่เกินเจ็ดวันต่อครั้ง ที่เขาว่าต้องอยู่ค้างอย่างน้อยสามวันก็คือพขกัวพวกที่จะมาค้างคืนเดียวบางทีมามาเที่ยวกันแล้วไม่มีที่พักก็มามาในวัดนอนแต่่จะเปเสียค่ดดูแรงนี่ไ่ได้ก็สุดแท้แต่บางทีก็อาจจะชอบนอนวัดก็ได้บางอนขอนอนวัดที่บนนี้่านท่านอาจรไม่ชุดชุเม็ยาเจอขึ้นมาปฏิบัติอยู่ข้างบนนี้ไม่ไม่มีใช่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 อยากจะถ้ามาอยากจะให้มาแบบมาเดี่ยวๆมากกว่ามาคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามาสองคนเดี๋ยวมักจะจับคู่กันกอยคอกันคือการภาวนานี้ต้องต้องเน้นเรื่องความวิเวกไมด่ดีถ้าไม่ไม่จับกลุ่มกันได้เนี่ยดีแล้วจับกลุ่มกันแล้วมันก็จะอดที่จะคุยกัน ไ, ได้ ออามาคนเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโล่งมันหมดมันไม่ต้องไปกังวลถํามาสงคเดียวก็ต้องห่วงหน้าห่วงหลังกันด้วยกันถ้ามาคนเดียวแล้วเราก็เข้าประจำที่ของเราภาวนาของเราได้เลยข้างบนนี้แม้กระทั่งพระที่บวใหม่เราก็ไม่ได้ให้ขึ้นมา ท, าทันทีมาพระบวใหม่ถ้ายังไม่รู้จักเรื่องภาวนาถ้าปล่อยขึ้นมาเดี๋ยวก็มา สร้างความวุ่นวายให้กับพระองค์เองอเพราะจะไม่ภาวนานั่นเองจะไปรบกวนพระกุฏินู่นกุฏินี้ไปคุยกับเขาไปอะไรต่างก็เลยจะต้องบอกว่าให้อยู่ข้างล่างไปสักพักก่อนก็ดูดูสภาพจิตใจของเขาว่าเขารักความสงบหรือไม่เขาชอบภาวนาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบความสงบก็ก็ไม่ให้เขาฝัางไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะบางทีคนส่วนใหญ่เวลาบวชใหม่ๆรู้สึกว่าอยากจะออกปฏิบัติเลยไม่ไม่อยากจะล่ำอยากจะเรียนอยากจะเข้าอยากจะทุดลนเลยอะไรเงี้ยโดยที่ตัวเองยังไม่มีพื้นฐานจิตใจยังไม่มีความสงบหรือยังไม่รู้จักภาวนาไปอยู่ในป่ามันก็ไม่ได้ไปภาวนาเดี๋ยวก็ไปไ ป, ไปทํานู่นทงนี่ในป่าก็พยายามที่จะรักษา คาสงบสงัดของพื้นที่ไว้แต่ความจริงแล้วสําหรับคนที่ปฏิบัติในเรื่องต้นนี้มันไม่จําเป็นจะต้องมีที่วิเวกขนาดนั้นก็ได้เพียงแต่ขอให้เรามีที่เป็นสักเป็นส่วนของเราแล้วไม่มีใครมารบกวนแเราเช่นเรามีห้องพอที่เราจะนั่งได้ทําจิตของเราให้สงบได้อะไรอย่างนี้มันก็ยังพอพอถือถ่ยไปได้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 เดินจงกลมนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักไออารมณ์เหล่านั้นมันก็จะหายไปนี่เป็นวิธีที่แก้ที่ถูกเวลาเกิดความเศร้าซ้อยน้อยเงาอย่าไปแก้ด้วยการออกไปเที่ยวจริงอยู่เวลาออกไปเที่ยวพับความเศร้าซ้อยน้อยเงามันก็หายไปมันบอกเหมือนเวลาออกจากบ้านนี่เหมือนไก่บินออกไปเที่ยวเสร็จกลับมามันก็คอพับกลับมาเหมือนหากินเนี่ยคนเราเวลาไปเที่ยวกลับมานี่ก็คอพับกลับมา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 มันก็เริ่มคิดถึงเรื่องอย่างจะออกไปเนะี่ยพอไม่ได้ออกปั๊บมันก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกิดขึ้นมาถ้าพอได้สติปั๊บก็รีบกลับมานั่งสมาธิเลยพอมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาทีานนไรก็นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปพอจิตสงบปั๊บมันก็หายไปหายไปแล้วเมื่อเรานั่งอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็กลายเป็นนิจฉายขึ้นมาเรามียาแก้แล้วเป็นเป็นยาที่ถูก คือเมื่อก่อนเราแก้ผิด เ, เวลาเราเบื่อเรามีความทุกข์ใจเราก็ออกไปช็อปปิ้งกันไปเที่ยวกันเพื่อไปทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีในใจแต่พอเรากลับมาอยู่ว่ามันก็เหมือนเดิมอไอความทุกข์แบบนั้นมันก็กลับมาอีกนี้ถ้าเราแก้แบบทางธรรมะคือมันมีมีความทุกข์ก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอย่าไปคิดถึงไอเรื่องที่อยากจะออกไปเที่ยวพยายามต่อสู้กับมัน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 มีเงินเลี้ยงปงยงากเลงท้องเสร็เราจบวิศวะมาแต่เราไปทํา ง, งานเป็นผู้จัด ก, การร้านขายไอติแตมแปลกไหมเพราะช่วงนั้นมันไม่อยากจะไปทํา ง, งานวิศวะขี้เกียจไปคํานวณไปขี้เกียจไปคือตอนนั้นช่วงนั้นเรายังไม่อยากที่จะค่าเ ข, า, ขาวา่าหันเหหรือปักตั้งใจจะไปในทิศทาง น, นั้นะฉะนั้นชีวิตของเรายังคิดอยู่ว่าเราอยากจะ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 ซื้อบ้านราคาแพงๆซื้อรถราคาแพงๆกินอาหารราคาแพงๆแต่เราต้องต้องหาเงินมามากๆเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายกับการอยู่แบบนั้นช่ว อ, อยู่แบบง่ายๆดีกว่ายิงก๋วยเดี๋ยววันละชาบสางก็ยิ่งได้แล้ ว, วมันสบายกว่าถ้ามันใช้น้อยมันก็ไม่จาเป็นจะต้องหามากตอนนั้นก็เลยไม่คิดก็เลยอยู่พยายามอยู่แบบแบบถูกๆค่ะ วันหนึ่งวันละยี่สิบาทก็อยู่ได้แล้ะก็เลยมีงานพอดีงานมันมีอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยทําไปถนัดไปทําไปอย่างนั้นพอดีช่วงนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่พอทาได้สักเดือนสองเดือนก็ได้หนังสือธรรมะมาอ่านก็เลยเริ่มศึกษาก็เลยเริ่มสนใจเลยเริ่มเกิดหัดนั่งสมาธิดูเอ๊นั่งแล้วก็สบายใจเอยถูกทางอ่ะเนี่ยเราอยากจะหาความสบายใจ เราไม่ได้อยากจะหาอะไรในโลกนี้เพราะเราเห็นคนที่มีสมบัติมีอะไรเงินทองเครืองของเก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครสักคนอยากจะมีความเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองมีความสุขการอัตภาพของเราก็เลยไปนั่งทาสมาธิก็เลยรู้สึกว่าเออดีนี่น้าทา้าน่าจะเป็นทางที่จยไปก็เลยตัดสินใจลาออกจากนาน แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะลองปฏิบัติดูสักปีนึงดูว่าจะไปถึงไหนโดยจะปฏิบัติแบบที่ได้เรียนได้อ่า น, นจากหนังสือเตอนนั้นก็อ่านการเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิการตั้งสติแล้วก็การถือศีลอะไรพวกนี้ยถือแปดตอนนั้นก็ลองหัดรับประทานอาหารวันละมือเท่านั้นเอง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 กิจมันเหมือนกับว่ามันเสื่อมลงไปสู้อยู่แล้วมันภาวนาอย่างต่อเนื่องมันง่ายกว่าเวลากลับไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาแล้วมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันจะต้องมามามามืนก็นลงกลับไปจากชั้นสองไปอยู่ชั้นชั้นชั้นหนึ่งต้องเดินขึ้นมาชั้นสองใหม่ก็เลยพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกที่อยากจะออกไปด้วยการภาวนานก็ทํามาได้บงางครั้ง ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยู่อย่างนี้ได้เราก็น่าจะบวนได้นะเพราะเราก็ชีวิตพระเราก็ศึกษาดูจริงๆพระปฏิบัติเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็มีแค่บิณฑบาตแล้วเขาก็คระก็ปฏิบัติธรรมทั้นี้นก็เราคิดว่าจะบวชแต่ต้องหาวัดที่มีการปฏิบัติเพราะส่วนใหญ่วัดแถวบ้านๆแถวบ้านที่อยู่ก็เป็นวัดแบบที่ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นวัดมีเมนมีงานศพ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 เขาบอกว่าถ้าอยากจะไปวันตายก็เขียนจดหมายไปขออนุ ญ, ญาตจับท่านปัญญาแล้วท่านปัญญาจะไปขออนุญาตจากหลวงตาทีก็เลยเขียนจดหมายไปหาท่านปัญญาท่านปัญญาก็ขออนุญาตหลวงต า, ตง า, าแต่านอนุญาตให้ขึ้นไปแต่ท่านก็ไม่ได้รับท่านก็ไม่ท่านก็บอกว่าไปไปได้แต่ไปอยู่ชั่วข้าวเนี้อชีวิตมันก็พาไปเราก็ไม่ได้คือช่วงชั่ววัตชีวิตเราตอนนั้นมันไม่มีภาร ะ, ะทางด้านอื่น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 คือเราเป็นคนแบบว่าอ่ะมันไม่ไม่ยึดติดจนเกินไปคือว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างงี้จะต้องให้ได้อย่างนี้นจะต้องให้ได้อย่างนี้นแต่ว่าขอให้มันทําไปเถอดมันได้มากน้อยเพีงยงไรก็ประเมินผลไปเรื่อยๆก็แล้วดาเนินไปเรื่อยๆก็ประเมินผลไปในตัวแล้วก็ก็พิจารณาดูว่าทําอย่างไรควรจะแก้ไขยอย่างไร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 ตอนนั้นหนังสือสัญญาจะเป็นพวกหนังญญที่มาจากพัฏฐิปดกก็เลยจะจะรู้แต่เรื่องพระในอดีตแต่ในพระในปัจจุบันจะไม่รู้แต่ตอนนั้นรู้แล้วว่าจิตของเรานี้ต้องการสารที่ที่สงัสงเกตท่า น, นั้นเองนที่ที่เราสามารถบําเพ็ญได้ภาวนาได้คือตอนนั้นถ้าอยู่เป็นค า, ารวาะมันไม่ได้แล้วก็เงินหมด ไม่เงินเงินที่เก็บมาจากทํางานมันหมดแล้วน้าจะถ้าจะอยู่บบกับคารวะก็ต้องทํางานต้องไปหางานถ้าไปหางานมันก็ไม่มีเวลาภาวนาใช่ไหมวันหนึ่งไปภาวนาไปทํางานก็ต้องแปดชั่วโมงอ่ะกลับมาบ้านก็เหนื่อยงานการจากงา น, นไม่มีทางที่จะภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนอะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานนี่มันภาวนาได้ทั้งวันแต่ห้างถึงเวลานอน่ะ อะไรว่าบวชดีกว่าบวชนั่นนี่ยมันมีโอกาสได้ภาวนาจริงๆแต่ต้องหาสถานที่ที่เราภาวน า, อ ย, าอย่าไปเจอวัดที่ต้องทํางานอย่างอื่นเลยขอคิดแค่เนี้ยอย่าไปเจอวัดที่เราไปไปไปสวดไปสอนไปสั่งไปทําอะไรที่ไม่ใช่เรื่องภาวนาเพราะเราศึกษาในพระไตรปิฎกไม่มีเนี่ยในสมัยพุทธกาลในเรื่องที่เขาทากันในสมัยปัจจุบันเนี้ ส่วนใหญ่พระออกบวชแล้วพุทเจ้าก็บอกให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปนั่งภาวนากันแต่สมัยนี้บวชแล้วจะต้องไปทำนู่นทำนี่ไปสวดสบไปงานบุญไปอะไรเต็มไปหมดมันไม่ได้เป็นงานของพระโดยตรงก็เนี่ยที่ไปก็คิดว่าจะไปหาวัดที่มีแต่การปฏิบัติเนี่ยก็โชคดีไปวันแรกก็เจอมีแต่การปฏิบัตินวนๆันเป็วนวัดที่โอ้โห ท่นมีความเข้มงวดกัดขัน ม, มากแล้วก็มีความเข้มข้นช่วยช่วยเราได้มากเมื่อก่อนเราคิดว่าเราค้นแล้วแต่เมื่อไ ป, ไปเปรียบเทียบของทาง่านนี่เรามันไถของท่านเมื่อก่อนเราคิดว่าเรากินข้าเมื่อเดือนนี้เราเก่งวะนะทันก่อนบวช น, นี่เราว่าคิดว่าเราเก่งแล้วพอไปอยู่บ้านตากใหม่ใหม่ทำไมพระที่นั่งข้างๆเราหายไปสองสามวันถามว่าไปไหนกันเนี่ยกลับบ้านเลยบอกเปล่าท่นนานอดอาหาร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 ความอยู่ทางด้านร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความอย่ทางด้านจิตใจเพราะเวลาที่มันไม่ได้ภาวนาเวลาจิตมันไม่สงบมันปูงแต่งเรื่องอาหารนี่โอ้ยมันทรมานมากมันถึงมากแต่พอภาวนาแล้วจิตมันสงบแล้วมันความทรมานมันหายไปมันมีแต่ความรู้สึกว่างๆท้องว่างๆรู้สึกว่ามันอ่อนเพรียบ้างอะไรอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองมันไม่ทรมานเหมือนกับความอู่ทางด้านจิตใจ การอดอาหารมันก็เลยเป็นอุบายทําให้เรากระชัยว่าจะต้องภาวนาอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยไว้แป๊บเดียวมันปรุงแต่งละปรุงแต่งเรื่องอาหาร mm hmm. การหดอาหารมันก็ดีหลายอย่างคือมันทําให้เมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่ได้อาหารนี่บางทีตอนเย็นๆมันจะรู้สึกว่าหิวมันจะปรุงแต่งเรื่องเรื่องอาหารแะ่พอเริ่มอดอาหารไปสักทัทก้วมันมันไม่ปรุงแต่งละตอนเย็นๆธรรมดา ว, ว่ามันไม่ได้กินทุกสามสี่วันมันก็อยู่ได้ไอ้นี่เพียงแต่ไม่ได้กินมือเดียวมื้อเดียวมันเป็นไม่รู้สุขอะไร <c oughs> ดีแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารก็ง่ายเวลาไม่เวลาไม่ได้ฉนันนักสาวสี่วันนี่อะไรก็อร่อยเป็นอา <c oughs> ข้าวปล่าก็อร่อย <c oughs> ทำให้มันกินอาหารได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วการภาวานาก็ไม่ง่วงเหงาเขนอนไม่ขี้เกียจ เวลาฉันเสร็จกันมาแล้วมันจะอิ่มท้องแล้วทีนี้มันไม่ภาวนาแล้วมันอยากจะหาหมอนมันจะนอนองั้นถ้าการเพรการบำเพ็ญถ้าการอดอาหารเป็นเป็นการพืชถูกจริตกับเราก็ดีบำเพ็ญไปแล้วอดอาหารไปด้วยเนี่มันจะช่วยให้เราได้ขยันมีความขยันในการภาวนาเพราะเราจะต้องต่อสู้กับความทุกที่เกิดจากความปรุงแต่งของจิตเกี่ยวกับเรื่องอาหาร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 มันก็ยังเปลี่ยนอยู่นั่นนี่เด้แล้วมันก็ยังเปลี่ยนไปต่อไปจำกันมันจะถึงถึงจุดจบของมันเนี่ยถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี้แล้วเราก็จะคลายความผูกพันกับมันยอมรับความจริงแล้วใจก็สบายใจกับใจมันก็แยกออกจากกายได้ใจมันก็รู้ว่าเหมือนกายไม่ใช่มันอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กายแสดงว่ามันไปหลงไปคิดว่ามันเป็นมันนั่นเอง เป็นเราเป็นของของเราและจริงๆแล้วมันเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าร่างกายของเราเหมือนต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้อนะไถ้าเรารักเราไปชอบมันเขา้าถ้าเกิดต้นไม้ต้นนั้นเป็นอะไรขึ้นมาเราก็มีความเสียใจนะเพราะ อ, อะไรเพราะเราไปมีความผูกพันกับมันถ้าเราไม่มีความผูกพันกับอะไรเวลาเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นนั้นมันก็ไม่สร้างความรู้สึกกะลายให้กับเรา เพราปัญหามันอยู่ที่ความผูกพันที่เราไปมีกับคนต่างๆเราต้องเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไปมีความผูกพันกับอะไรไม่ได้ในเรื่องนี้เพราผูกพันแล้วมันต้องทุกทันทียังไงจะในส่วนที่เป็นพ่อแม่เราจะทังไงนั่นแหละเราเราเราไม่เห็นไงว่าลูกของเรามันไม่ใช่เป็นลูกของเราเราไปเห็นว่ามันเป็นลูกของเรามันก็เลยมีความผูกพันกันแล้ว เราเห็นว่ามันเป็นแค่มืนก็ต้นไม้ต้นหนึ่งอะยากใช่เพราว่าโลกความรับผิชอบอความเมตตาเนี่คื อ, อเพอนรบายตรงนี้คือความเมตตามาันมันมันมันไม่ใช่หรอกเราเรียกว่าความเมตตากวาจริงมันเป็นความเมืองมากกว่าทาไมเด็กคนอื่นเราไม่เมตตา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 แต่่วนจิตใจนี้มันเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้ดวงวิญญาณมันเข้ามาครอบครองร่างกายอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาในท้องของเราไอคนที่มาเป็นเจ้าของร่างกายอันนี้มันไม่เราไม่รู้จักมันมาก่อนดีไม่ดีมันอาจจะเป็นศัตรูของเราในอดีตก็ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็าถึงต้องมาทุบกับมันนี่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 เหมือนกับว่าเราได้แอปเปิลมาแต่เราอยากจะให้แอปเปิลน like so ี้มันเป็นส้มเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่งไปร้องห่มร้องไห้ไปอยากจะให้มันเป็นส้มมันก็ไม่เป็นส้มหรอกมันก็เป็นแอปเปิลอยู่นั่นแหละคนเราก็เหมือนกับผลไม้เนี่ยแต่ละคนมันมีเจลลิตย์สายไม่เหมือนกันคนบางคนก็เหมือนกับส้มบางคนก็เป็นเหมือนมะนาวบางคนก็เป็นเหมือนกล้วยเขาเป็นของเขาอย่างนี้มาตามบุญตามกรรมไงตามที่บทที่เราส่วนกันว่า เรามีกรรมเป็นของของเราเราทํากรรมอันใดไว้เราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นลูกของเราเขาก็ทําบุญทํากรรมของเขามาเมื่อเขามาเกิดก็ใส่้องเรามาเกิดเท่านั้นเองแต่ใจของเขานั้นเขามีมีมีกรรมเป็นเป็นพ่อแม่เขาเป็นเผ่าพันธ์เขาถ้าเขาเป็นคนดีอยู่มามาเกิดเขาก็เป็นคนดีเราไม่ต้อ ง, งไปสั่งไปสอนเขาเขาก็ดีอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอน ท่านก็ดีของท่านมีแต่คนจะพยายามไม่ให้ท่านดีเสีอีกอย่างพ่อของท่านไม่อยากให้ท่านออกบวชนะแต่ท่านก็ออกบวชเพราะบุญที่ท่านสร้างมามันมีพลังมากไม่มีใครที่จะมาต้านมันได้เช่นเดียวกับกรรมถ้าใครสร้างกรรมมาอย่างเทวทัตเองนะสร้างกรรมมาไวมากถึงแม้ได้บวชได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ายังต้องมาก่อเวรก่อกรรมกับพพุทธเจ้าอยู่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 อย่างพ่อแม่เราจะมาก็ไม่อยากจะให้ราบวนอย่างเงี้ยแต่เราก็ดันมาบวชอย่างี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนพ่อแม่บางคนก็เสียใจที่ลูกบวชพ่อแม่บางคนก็ดีใจที่ลูกบวชมันก็อยู่ที่จิตใจของพ่อแม่ว่ามีบุญมีกรรมบ้ากน้อยเพียงไรถ้าพ่อแม่มีบุญมากเข้าใจถึงเรื่องเรื่องบุญเวลาเห็นใครบวชก็ดีอกดีใจาตามเนี่ยแต่พ่อแม่ที่ไม่มีบุญก็ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ตอนลูกของตอนเองไปบวชเขาก็เกิดความเสียใจขึ้นมาทำไมาลูกเราไม่เอาดีทางโลกเนีย<ะ>่ยทำไมไม่เนี่ยก็คิดไปต่างๆนาน า, นาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแต่ละคนหลักโดยหลักแล้วก็คือว่าอย่าไปยึดเย็้ไปติดเราต้องพยายามทาความเข้าใจว่าคนเราทุกคนนั้นมันมีมีชีวิตของเขามีทางเดินของเขา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 เราเราเปิดช่องให้เขเาแล้วเปิดโอกาสให้เขเาแล้วเหมือนกับเราให้เงินเขาก้อนหนึ่งเขาไม่เอาเราจะไปเสียใจทำไมเใช่ไหมเมื่อเขาไม่อยากจะได้เลยก็เรื่องของเขาพราอยากจะไปทางไหนก็นเป็นโรงของเขาการปล่อยให้เขาไปตามทางของเขามันก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะดีกว่า <อ tad. S 1> การที่อยากจะดึงให้เขามาไปตามทางที่เราต้องการให้เขาไปอันนี้ก็ไม่ใช่ความเมตต า, ากลับจะกลายเป็นความเกลียดชังกันขึ้นมา เพรเราไปบังคับใจเขาแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบคุณมาดีไม่ดีก็อาจจะทะเลาะกันไปโกรธช่างกันไปก็มีเกลียดชังกันไปก็มีเราต้องรู้ว่าเราเป็เหมือนกับเหมือนกับคนพายเรือเท่านั้นน่ะเหมือนกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็สอนเด็กพาให้เด็กข้ามฟากไปเท่านั้นเองเด็กจะกระโดดลงจากเรือไปกลางทางก็ช่วยไม่ได้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 ถ้าเราคิดว่าเราสามารถบังคับก็ได้ตลอดถ้าเราตายไปแล้วเขาก็เขาก็ต้องไปตามทางเขาอดีๆขณะที่จะดีใจอะไรกันหมดคนบังคับเวลาเมื่อท่านอาจารย์จะขอออกบวชโยมพ่อยมแม่ท่านอาจานห้ามเยอะไหมคะไม่ก็โยมแม่เขาก็อนุโมทนาแต่ยมพ่อเขาก็เขาก็ไม่ไม่เห็นด้วย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 เราเรียคนที่ไปบวชนะเป็นคนที่มีความท้อแท้ต่อชีวิตคือคนขาดเป็นคนกันคนมีปัญหาไปคนสิ้นท่าคนไม่มีปัญญาที่จะต่อสู้กับการดำรงชีวิตได้ผมคิดอย่างนั้นเาะฉถ้าเราอยู่ต่อสู้ต่อไปอย่ไปท้อแท้คิอย่างนั้นแล้วคนที่เป็นโทษแ่ลกกันเยาต้องมีเตุอะไรกันถุกระทำ่นเหรือต่อคะ อันนี้อาจารมาก็ไม่ทราบถ้าให้เพื่ก็บอกว่ามันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างมีความผูกพันกันมาก็มีอาจจะไม่มีความผูกพันก็มีเหมือนกันไม่ไม่แน่นอนมันต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่โอกาสที่มันมีอาจจะมีก็ได้เพราะว่าท่านบอกว่าเราเวียนว่าตายเกิดกันมานับทบไม่ถ้วนแล้วเราก็คงจะมาเคยเจอกันแบบนี้มาอยู่หลายครั้งหลายเหตแล้วการมาเจอกันซับมันมันมันไปกันได้มันก็รู้เอง วเาาวลามันคนเวลาเจอใครนี่ครับรู้เลยว่าชอบคนนี้หรือรู้เลยว่าไม่ชอบคนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในใจของเรามากถ้าจะให้รู้จริงก็ต้องเป็นคนที่เราลึกชาติได้อย่างพระเจ้าเวลาเนี้ยท่านจะรู้ว่าเออคนคนนี้เมื่อก่อนนี้มีอะไรกับเรามาอย่างพระเทวราชานี่ท่านก็เล่าความประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเป็นอะไรกันมาแต่ดั้งเดิม ืดูพระมาเหติท่านเคยร่วมทุกข์ร่วมทุกข์กันมาอย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นมือความสามารถอย่างทราบถึงถึงอดีตชาติได้เท่านั้นถึงจะรู้ได้อาจารย์จะเอย่างนี้ยงเาลหน้านที่ที่ลูกจะต้องมด อ, อกมีดามดามสมมติว่าบิดามัรดาม น, นี่แก่แล้วก็จริงแล้ว ก, ก็อยากลูกก็อยากออกมาปฏิบัติแต่ถ้าออกมาปฏิบัตินันๆนะพ่อแม่ก็ต้องเหนื่อย คือต้องทํางานด้านเองที่คิดว่าบาปไหมครับเพราะจริงชีวิตมันไม่แน่นอนถ้าจะรอว่าเลี้ยงดู่พ่อแม่ก่อนแล้วตัวเองค่อยออกมาปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายกั็นเมื่อไหร่คือความจริงเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างนึ่งเหมื <S <S อนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่แล้วใครจะดูแลท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องของคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นเป็นทางที่เราจะต้องไปอะคือเรา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 เหมือนกับพระ อ, อนนท์เนี่ยถ้าไม่เหมือนกับพระสาวกองเอง๋อท่านปฏิบัติการพระเจ้าต้องยี่สิบห้าปีท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่สูงกว่านั้นในขณะที่อยู่กับพระเจ้าท่านก็เป็นแค่พระโสดาบันนั่นเองแต่พระรูป อ, อื่นนี่ท่านบวชพระฟังเทศคํามธรรมเสร็จท่านก็ม่มีภาระที่จะต้องมาคอยบปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านก็ออกไปปฏิบัติท่านก็บรรลุ ก, กันอย่างรวดเร็วกันเยอะแยะไปหมดมันก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของแต่ละคนมัน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 การทําความดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนมันก็ถือว่าเป็นความดีที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปด้วยกันเท่านั้นเองท่านท่านพูด อ, อย่างนี้าความว่าการทำทุกอย่างมันก็คือสามารถปฏิบัติได้ได้ได้อย่างช้านเนี่ยจะเลือกวัดมันก็เป็นแบบการเลือกวัดที่จะไม่มีภรกิจในการทํงานเลย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 ที่มันติดค้างอยู่ที่เรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องไปได้เราก็ต้องต้องอยู่กับสภาพนั้นไปก่อนแต่การอยู่ในสภาพนั้นก็หมายในคงว่าเราจะต้องอยู่เฉยๆล้วก็ยังภาวนาได้แล้วก็ยังอ่านหนังสือธรรมะได้เรื่องดูพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตลอด24ชั่วโมองอใช่ไหมเวลาให้อาหารท่านเสร็จแล้วเรามีเวลาเราก็มาเปิดหนังสือธรรมะอ่านมานั่งสมาธิของเราก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับการที่เราได้ไปปฏิบัติ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 มันถึงเวลามันมีช่องไปของมันโดยที่เราก็ไม่ได้เคยคิดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าจะจะมาบวชเป็นพระเพราะโดยโด ย, โดยปกติที่บ้านก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้เข้าวัดเข้าวาพราะแม่ไม่เข้าวัดเข้าวานะเราไม่เคยเข้าวัดเข้าวานะแล้วตอนเรียนหนังสือแล้วก็เรีย น, <c oughs> นลองเรียนคิปดูจะมีของกลางเยอะดีดของกลางเยอะลองเรียนคิดแล้วเกิดจะเป็นคลิปแล้วแต่ในในใน ในวาล่าสุดท้ายที่จะตั้งตัดสินใจแล้วก็บอกเราไม่เอาที่พยายามมีการายอันนึงคือเพราะว่านั่งไปหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะเมื่อเกิดทิฐิวิจนามากๆนีเ่เออบงังได้พยายามดูเขาแต่ว่าบางทีตรงส่วนนึ่งเขาขายมันก็จะเรื่องม า, เ, าเป็นมันจะเรื่องไปเรื่อยท่านจะแก้ตรงนี้ยัไคะไม่ให้ไม่ให พิจาราตรงบริเวณนั้นหรือให้ไปดูอย่างอื่นเลยที่ไหคือมันแก้ได้สองสองแนวทาง<ม>คือแนวทางของสมาธิก็คือบริกรรมอย่างเดียวอย่าไปสนใจว่ามันจะเจ็บจะปวดตรงไห น, นไม่ต้องไปสนใจมันนั้งซึ่งมันเรานั่งคุยกันขนาเนี้ยเราไม่ไปสนใจเรื่องเสียงเรื่องอะไรมันจะมารบกวนเราอย่งไรถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันก็จะไม่เข้ามาในใจเราเราก็สามารถคุยกันได้เรามีสมาธิอยู่กับการคุยกันได้ แต่ถ้าเราไปเกิดความรู้สึกรังคารังควานกับเสียงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสียสมาธิพูดแต่เนเรื่องการภาวนาก็แบบเนี้ยถ้าเกิดความเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้คันตรงนั้นันตรงนีน้ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราบริกรรมอย่างเดียวให้มันอยู่กับอันั้นไปเรื่อยๆก็มันก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเราเราหยุดเมื่อไหร่หรือเราไ ป, ไ, ปไปเกิดไปเกิดไปรู้สึกโอ้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว มันก็จะเริ่มเกิดอความทุกข์ภายในใจขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะทวีขึณนไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นเราไม่ได้บริกรรมแะอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูไอตัวเวทนานี้ว่ามันมันเป็นยังไงมันทำไมถึงเราถึงถึงทนมันไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ชอบมันใช่ไหมทำไมเวทนาอย่างอื่นที่เราชอบมันถึงเราทาไมเรารับมันได้อะไรเงี้ย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 เราฟังได้แต่พอใครเขาตาหนิเรานิดเดียวเนี่ยเสียงเบาๆอัน เ, เนี้ยคําเดียวอเนี้ยมันก็ทําลายใจเราได้แต่เราก็พิจารณาดูว่ามันอยู่ที่ความชอบและความไม่ชอบของใจเราแต่เสียงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันไอเวทนาก็มันกน็มันก็เป็นสัมผัสของร่างกายเหมือนสัมผัสแล้วมันก็เข้าไปในใน ใ, ในใจเราไปรับรู้ที่ใจเหมือนกับเสียง สัมผัสเวทนามันก็มีสัมผัสที่เราชอบกับสัมผัสที่เราไม่ชอบไอ้สัมผัสที่เราชอบนี่ยก็รู้เราก็จะไม่ไม่ไม่รังเกียจมันแล้วก็สามารถรับมันได้เช่นเวลาเรานั่งดูหนังนั่งคุยกันนานๆนี่ยมันไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลยเพราะมันเพลินเราเราไม่ไปสนใจมันเนี่ยแต่พอเรานั่งสมาธินี่รู้สึกว่าอะไรนี่มาสัมผัสครจ่ายมันพร้อมที่อยากจะไปรับรู้แล้วแต่มันมันมันไม่ยอมนั่งไงใจมันไม่อยากจะนั่งทีใจมัน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 มันอยู่ที่เรามองมันเท่านั้นเองว่าเรามองแล้วเราชอบมันหรือเราชังมองแค่นี้ถ้าเรามองเราไปเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราต้องเจอมันเนียถ้าเราทําใจไม่ได้เนี่ยเราก็จะทรมานมากแต่ถ้าเราทําใจว่าอะมันหนีมันไม่พ้นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับมันยอมรับสภาพขอมันมันจะเป็นยี้ไงให้มันเป็นไปอย่าไปอยากให้มันหายเท่านั้นมันก็จบแล้วเวลาเกิดทุกเวทนาขึ้นมาถ้าเราสรุปได้ว่าทนได้มันจะเป็นยี้ไงให้มันเป็นไป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 เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสผัสผ้ธธธาก็เป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยคนนึงชอบอีกคนนึงไม่ชอบมันก็มันก็อยู่ที่ความชอบความไม่ชอบของใจแค่นี้ถ้าเราเอีกคนนึงเฉยเฉยฉันก็กินได้ไม่กินก็ได้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไอคนที่ชอบแล้วไม่ได้กินมันก็เดือดร้อนนะนะไอคนที่ไม่ชอบแล้วต้องกินก็เดือดร้อนแต่ไอคนที่เฉยเฉยเนี่ยดีที่สุดกินก็ได้ไม่กินก็ได้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 บางคีมันเห็นว่าวุ่นวายทั่วป่าคุูบาอาจารย์ท่านไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลก็เพรอย่างนี้นมันวุ่นวายเมื่อใจมันไม่ไปกังวลกับมันแล้วมันไม่ก็มีปัญหาละจะเป็นยังไงก็ได้มีแรงมันไปตามอัตภาพถ้าใจยังมีความอยากอยู่เท่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาเลยต้องดื่นลนหมออยู่ที่ไหนดีขนาดไหนไกลขนาดไหนก็ต้องไปทอไป ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นความหวังแบบลมๆแรงๆเรามีคนมามาบอกเราเสมอว่าเวลาเราไม่สบายึุณรู้เป็นไรก็เอหมอคนนั้นดีหมอคนนี้นดีหรอไม่รไม่เป็นไรหรอที่เกลียดไปดีครูบาอาจารย์ไม่สบายท่านเองไม่คงกังวลแต่ลูกศิษย์ลูกสิบกังวลมาก พยายามขนขวายหายไหนๆแนะนำบูบาทชันให้หยูดยาอะไรเพราะเรามีความปรารถนาดีเราอยากจะให้ท่านหายแต่เราเรามีแต่ความอยากไงเราไม่มีปัญญาท่านมีปัญญาท่านมองท่ามช็อตนี้ไปแล้วถ้าว่าหายคราวนี้เดี๋ยวมันก็ไปเป็นคราวหน้าต่อมันมองเห็นยังท่านถึงจุดสุดท้ายอันนที่สุดมันก็ไม่มีใครรักษาได้ มองว่ามันเหมือ น, น, น, นคนที่อยู่อาศัยด้วยกันแล้วเราคอดูแลพออาจจะพออัตภาพแบบนี้ก็พอใช่ไหมใช่ถ้าที่เราจะดูแลได้คือจักใดที่ไม่ไปสร้างความวุ่นวายใจเท่านั้นถ้าเกิดความวุ่นวายใจแสดงว่าเราเร า, เราทําเกินเกินเกิน ค, ความจำเป็นแล้วอค<ม>ือเราไปสร้างความทุกข์ให้กับเราลโดยที่เราไม่รู้ตัวพยายามที่จะให้กลายหายแต่ใจนี่โอ้โหทุกข์รุนแอเกินเงี้ยมันคุ้มค่ายังไงที่เราไม่รู้เพราะใจของเรามันทุกข์อยู่ตลอดเวลา ใจของของท่านที่ปฏิบัติแล้วมันมันไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วเนี่ยมันรู้เวลาจะต้องไปทําอะไรแล้วมันวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันคือถ้ายอมแล้วก็เนี่ย ว, ว่ามันจะต้องตายอยู่ดีอ่ะอันนี้ไม่พ้น่ะแล้วลท่านก็อยู่ไปทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังนี่ครับไม่ได้ไม่ต้องการอะไรกับกับการอยู่ห การอยู่ท่านกล่าว่าเป็นภาระทียมากกว่าอย่างที่พระเจ้าสงสัยไว้ว่าภาระเฮเวปันจากขันธาขันห้านี้เป็นทุกข์มากเป็นภาระมากร่างกายนี้วันวันหนึ่งตขึ้นมาก็ต้องหาเข่าให้มันกินละกินเสร็จแล้วก็ต้องเดินต้องเปลี่ยนอิรลียบท้องอาบน้ําอาบท่าต้องอะไรต่างๆเท่าไหนต้องทํางานนี่คนนี้มาหาคนนี้มาหาต้งท่องเทศทั้งสอนต้งพูดต้องอะไรเงี้ยมันก็มีแต่งานเท้งนั้นแหะ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 ก็สู้ปลอยมันไปตามอัตภาพดีกว่ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปเมื่อมันอยู่ไม่ได้มันถึงเวลาที่มันจะไปก็ไปไม่มีใครอยู่ค้าม้าตหรอกทั้งวันหนึ่งทุกคนของเราทุกคนก็ต้องไปกันหมดทีเดียแต่ว่าขอให้เราอยู่แบบกำไรอย่าไปอยู่แบบขาดทุนคืออยู่แล้วได้ปฏิบัติธรรมได้สะสมบุญบารมีได้ก้าวหน้าทางด้านจิตใจ มีความสงบมากขึ้นกิตเกิดปัญญาที่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสกันหาที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละ <c oughs> คือความอยากความรักความชังทั้งหลายเนี่ยที่เราต้องแก้ไขมากกว่าสิ่องอื่นคนอื่นเราไม่ต้องไปแก้ไ ข, ขเขาก็เขาก็ต้องทุกคนทุกคนต้องเป็นที่พึ่งของตนเองในที่สุดไม่มีใครแก้ไขใครได้เราต้องแก้ไขตัวเราเองโดยอาศัยคําสอนของผู้รู้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 เราก็ต้องการใช้ร่างกายนี้เหมือนกันโือร่างกายนี้เราก็ต้องพยายามดึงมันเข้าทางจงกลมให้ได้ดึงมันเข้าวัดให้ได้ดีย๋ยวไปไปตามทางกิเลสถ้าเราสามารถเกืนกิเลสได้แล้วต่อไปกิเลสตัณหามันก็จะหมดไปหมดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาสร้างความลบสร้างความลำคาลใจให้กับเราอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะนั่งจะเดินจะนอนก็มีความสุขอยู่ในใจของมันเอง เพราะไม่มีอะไรมาสร้างความลำคานใจให้กับเราไม่ต้องไม่มีความอยากไม่มีไม่มีความต้องการอะไรภายนอกที่อยู่ที่กินก็เพราะร่างกายมันต้องการเท่านั้นกินตามความร่างกายตามความจําเป็นของร่างกายแต่จิตใจแล้วไม่เร่มีความอยากจะมีอะไรอยาจะเป็นอะไรไม่ดีอะไอย่างเนี้ย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 มันก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมพระป่าก็อยู่ขั้นแบบนี้แต่ถ้าเราลองศึกษาที่ต้นฉบับเลยเราไปศึกษาในจากรกไตรปิฎกเลยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันเลยสมัยพระอุสการในพระเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่ศัาลาญาตโยมสร้างถวายให้พระไม่เกี่ยวข้องกับตเรื่องที่ต้องไปสร้างวัดสร้างวาไปเรื่อยลายผ้าปาา่าอะไรต่างๆไม่ไม่มีรายไม่ใช่งานของพระ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 ก็ต้งเรียกว่าผ้าป่าไงผ้าป่าผ้าที่ทิ้งอยู่ตามป่าช้าเศษผ้าได้มามากน้อยสท่านก็สะสมไว้แล้วก็มามาม า, มาปะมาเย็บทำให้เป็นพื้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาไปซักเอาไปยอ้อมทีก็ห่มได้ละสมัยหมๆนีไ้ไม่มีใครไม่มีใครถวายผ้าจีวรให้พระลำบากมากเรื่องผ้าสมัยก่อน ท่านถึงท่านถึงต้องดูแลรักษาผ้าเหมือนกับเป็นส่วนของชีวิตของท่านเลยถ้าครองสามผืนนี่จะต้องรักษาอยู่ไปไหนต้องติดตัวไปตลอดเวลาต้องไม่อยู่ปราศจากภาคของทั้งสามผืนอีกอย่างก็ต้องมีก็คือบาตบาตนี้สําคัญมากเพราะถ้าไม่มีบาตก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องดูแลรักษาบาตแต่ท่านอยู่กันแบบ ง, ง่ายๆ เ, เรื่องวัตถุภายนอกนี้ท่านไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แต่ท่านมีเวลาที่จะบำเพ็ญมากแล่ท่านก็บรรลุ ก, กันเยอะอำไมพระเจา้านี่คนคนบำเพ็ญสมาธิกันมามากแล้วนักบวชในรัฐอื่นนี่เขาได้ฌานกันได้ได้สมาธิกันแต่เขาไม่มีปัญญาแท่นั้นเองเขามองไม่เห็นกายรักคืเขามองไม่เห็นอนัตตาทีย ง, ง่ายเขาเห็นอนิจจังเขาเห็นทุกข์แต่เขาไม่เห็นอนัตตา เขาไม่รู้ว่าอนัตตานี้มันไม่มีมันเป็นสมมุติที่จิตเราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็เชื่อกันมาฝังเลึอดมาอยู่ในจิตใจของของสุตตชนมาตลอดมีผู้พุทธเจ้าท่านที่พิจนารณาแล้วค้นหาอย่างเต็มที่ในตัวท่านนะหาทั้งในกายหาทั้งในจิตหาตรงไหนก็ไม่มีตัวตนสักทีตัวตนก็มีอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดนี้ท่านั้นเอง พอท่านนามาประกาศสอนพวกฤาษีทั้งหลายเขาก็บรรลุมรักผลที่พ่านได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามีศีลแล้วเขามีสมาธิแล้วสิ่งที่เขาขาดก็คือปัญญาเท่านั้นเองเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับพวกนักบวชบัด ท, ที่อื่นเนี่ยเท่มแสดงทีห้าร้อยลูกเนี่ยก็บรรลุปเป็นพระอนันตทีห้าร้อยลูกขึ้นมาเลยก็ดูภารณาญาเพียงไม่กี่เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่สอนวันเพ็ญเดือนแปด จนถึงมันเพ็เดือนสามฟันมาคาบูชาก็เจ็ดเดือนมีพระอ า, าราหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาฟาดพระพุทธเจ้าดูแต่ก่อนนั้นก่อนที่พุทธเจ้าตัดส ย, ยังไม่ได้ประกาศสอนธรรมะไม่มีพระอ า, าราณ์แม้แต่รูปเดียวเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวทท้งนั้นเองแต่มีพระพุทธเจ้ามาเปิดมามาเปิดแก้ไข แก้ไขปริศนานี้ได้แล้วพอคนอื่นฟังแล้วไปพิจารณาปั๊บเขาก็เข้าใจพอเขา้าใจเขาก็ปล่อยวางเลยเมื่อก่อนนี้เราลอกว่าอ้เด็กคนนี้เป็นลูกเราแล้ ว, ลวก็ห่วงมันรักมันแต่ที่ไหนได้พยาบาลหลอกอนนี้เป็นลูกของคนอื่นเขาเขาสลับมาให้เราอย่างงี้ยใช่ไหมว่าลูกไม่ใช่ลูกเราปรับเราก็ไม่อยากจะเลี้ยงมันนะควารู้สึกออกทันทีเลย <laughs> ใช่มันปล่อยไว้นันคือ เราต้องพยายามทาความเข้าใจได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอือแค่นั้นมันก็หลุดพ้นมันก็มันก็ไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปท่านอาจารย์คะอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ดีแล้วเราเข้าใจแต่ว่าคุณไค้ตัวเราเขาไม่ยอมรับแล้วเพราะเขไม่ได้มาทางนี้แล้วก็เรื่องของเขา嘛เฮ้ยไม่ไม่น้องไม่ช่วยเขาช่วยน้องอาจารย์จะไม่ช่วยใครไหมแสนกระโดดออกจากในวังคนเดียวอะ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 แต่ได้จากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เราพยายามจะชวนให้ อ, อบวุ่ด้วยกันนี้ไม่รับรองไม่มีทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้หรอกแต่ท่านต้องไปก่อนท่านต้องไปทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยทางนี้มันดีจริงแล้วเขาจะเกิดศรัทธาเรื่องสายขึ้นมาเองแล้วก็จะตามมาเองไม่ต้อตามมาแล้วมันง่ายใช่ไหมหรือการลากเขามาลากเขม า, <laughs> <laughs> าขมาแล้วมันเหนื่อย <laughs> <laughs> แเราจะไม่มีกําลังพอที่จะลากเขามาได้ นั้นเราต้องยอมรับ ว, ว่าคนเราเกิดมานั้นมันมีบุญมีกรรมมาไม่เท่าเทียมกันสะสมบุญบรารมีมาไม่เท่ากันคนสองคนอาจจะทําทานมาไม่เท่ากันนั้นเวลาที่คนนึงไปทําบุญอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปอีกคนนึงชอบไปกินเหล้าเมายาอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะไปนะเนี่ยเพราะมันมันบำเพ็ญมาไม่เหมือนกันมันสะสมบุญบรารมีมาแตกต่างกันเพียงแต่ว่าเรามาเจอกันแล้วเกิดมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันขึ้นมาแต่นั่นเอง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 เวลาเรากินข้าวแล้วเขาไม่กินเราจะไปบังคับขาได้ไหมพอไม่หิว่ไม่อยากจะกินอย่างนี้แล้วก็บังคับเขาไม่ได้ไดังนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันน่ะเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกันเองทํากันเองไม่มีใครสามารถที่จะมาทําแทนกันได้มีเเตเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเกิดกําลังใจได้เช่นถ้าเราได้อยู่กับคนที่เขามีความเข้มข้นเนี่ยความเข้มข้นของเขาก็จะช่วยดูดเราให้มีความเข้มข้นขึ้น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 พอหายก็เจ้าแล้วก็ไม่ผิดหวังกันคือความวรารถนาดีมันก็มีมันก็ดีอยู่แล้วคือเราก็เราเห็นว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็อยากจะให้เขาได้รับประโยชน์ด้วยแต่เราต้องยอมรับว่า <Yeah. S 1> คนนี้ยมันเหมือนกับมีภาชนะมาไม่เท่ากันบางคนก็มีกระแป้งบางคนก็มีถ้วยคนที่มีถ้วยก็ได้น้ําแค่ถ้วยเดียวคนที่มีกระแป้งก็สามารถที่รับน้ําได้มากกว่านะ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 ภาวนาะก็ภาวนาะมากขึ้นไปเรื่อยๆคือเราต้องทําจากที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมันขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าทำไปอย่างไม่หยุดอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ถ้าเรามาคอยพะวงกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เดี๋ยวเราก็จะเขวะเราจะไม่ได้ทําเราจะไม่ได้ก้าวหน้าไปแล้วถามว่าอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือไม่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 ส่วนไหนที่เรายังมีหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ต่อคนนั้นคนนี้เราก็ปฏิบัติไปแต่ส่วนส่วนงานของเราเรามีเวลาว่าเราก็ทำของเราไปเราชวนเขาแล้วถ้าเขามาก็มันก็เป็นบุญกับเขาแต่ถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขายัางไม่พอก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงอังนนี้ถ้าเรามาคำเรามากังวลเรามาคิดแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะจะไม่จะไม่สามารถปฏิบัติไปได้ แล้วมีบางทีเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันนะคะบอกว่าเราทำเขาจะนิยมที่แบบทำทานคืออย่างให้โดยจากให้เด็กลงนิทรรศเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเงินนั้นนั้นใช้ประโยู่ได้ยังเขาจะมาทากับทางวัดกับพระก็บอกก็เหมือนเขาสื่อเปล่าเนี่ยเราจะมีวิธีไหนที่แบบอกเขาว่าคนนี้เหมือนกันแล้วก็อันนีงก็ต่างกันอย่าเงี้ยเาจะมองในลักษณะว่าเป็นวัตถุเป็นวัตถุมากกว่าคือความจริงมันก็มันก็มีมีภาพที่เขาเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่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 เราได้ธรรมะจากท่านด้วยอันนี้สำคัญกว่านะการทาทานนี้ถ้าเราไปทาทานกับคนที่ไม่มีธรรมะอย่างมากเราได้ก็คือความอิ่มเอิบใจว่าเราได้ช่วยเหลือเขาก็เขามีความสุขอย่างมากที่เขาทำให้กับเราได้ก็คือยกมือไหว้เราเราขอบคุณขอบหลกขอบใจก็เท่านั้นแต่เขาไม่มีธรรมะที่จะให้เรามีแสงสว่างมีปัญญาเพิ่มขึ้นได้นะแต่ถ้าเราไปทากับพระที่เขามีความรู้มากกว่าเราผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรา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 แจกผ้านี้เราไปเติมปั้มที่แจกผ้าเราก็ได้กำไรนะเราได้ผ้าใหม่คืนหนึ่งถ้าเราไปเติมปั้มที่ไม่ได้แจกผ้านี่เราก็ได้แต่น้ํามันอย่างเดียวนี่ก็เหมือน ก, นกันกับการทําบุญกับพระที่มีธรรมะสูงสูเนี่ยเราได้ธรรมะเป็นของแถมด้วยซึ่งเป็นของที่ดีกว่าที่ได้จากการทําบุญเฉยเฉยนี่ซักเยอะๆไปทานมันก็เป็นเป็นธรรมะระดับนึงแต่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 และพบนิชชานี้เลยก็ได้อันนี้นี่คือผลประโยชน์จากการที่เราเลือกทําบุญกับบุคคลต่างๆแต่การทําบุญให้ทานแม้กระทั่งเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขมันก็เป็นบุญปล่อยนกปล่อยปาปล่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยปลานี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมั น, ม, นมันไม่ได้ผลผลผลตอบแทนขั้นที่สองก็คือเราไม่ได้รับธรรมะนั่นเอง การทำบุญก็ต้องต้องพิจารณาอยู่เหมือนกั น, นกว่าควรจะควรจะควรไม่ควรอย่างไรอย่างางหลวงตาที่ท่านเคยเล่าบอกว่าได้หลวงอยากจะถวายโบูชาหลวงตาท่านยังปฏิเสธเลยท่านบอกท่านทานบอกว่านี้ไม่ไม่สนใจในการสร้างวัตถุสนใจแต่สร้างสร้างคนสร้างคนให้เป็นพระมากกว่าและการสร้างคนให้เป็นพระนี่ก็ไม่ไมจำเป็นจะต้องมีบุญ แต่ต้องต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวล่ถ้าอยากจะได้ก็คืออยากจะได้ป่าอยากจะได้เขาถ้าหลวงตาท่านถเห็นสาวซื้อที่ซื้ออะไรต่างๆะไรที่ไหนที่มีที่ ท, ที่ที่ดีที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญนี้ท่านก็พยายามที่จะสง่ส ง, สงเสริมเพราะต่อไปสถานที่มันจะน้อยลงน้อยลงทุกวันเพราะประชากรสองคนในโลกนี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นการตัดไม้ทําลายป่าอะไรต่างๆมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น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 แต่มันไม่ได้อยู่ในใจคนแค่ไงนนคนเข้าวัดแต่มันไม่ได้เอาเข้าวัดแล้วมันไม่ได้เอามันไม่ได้เอาเอาชาวปัญหาเข้าไปไวใ้ในในใจในใจมันก็ยังมีแต่กิเลสมีแต่ปัญหาเข้าไปในวัดก็ไปทะเลาะ ก, กันในวัดมีเรื่องกันในวัด <c oughs> มันจป็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเข้าวัดวเราต้องไปแบบสงบเนี่ยฝ่ายแบบว่าไม่ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเราไปต้องการมีเป้าหมายอันเดียวก็คือไปบําเพ็ญนั่นเอง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 อ๋อนะอันนี้ขสมควรใจเวลานะท <c oughs> ารจะให้พวามนะยะเท้าวาเลิวะหาปุราปิลิกปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมฮังคิปะเมวะสันิจตุสเปปุเรนตุสังกะปา จันทุปนัระโสยท้ามณิจโชติระโสยท้าสัพพิติโยวิวัชจันตุสาภาโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายโกภวะลภิวัชนศสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโรธรมมวัทานติอายุวันโนสุขังภาลัง